พูดถึงธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นปัจจัยที่จะทําให้บรรลุธรรมนี่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายถ้าเป็นจุดมุ่งหมายตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องหมดทุกข์พ้นทุกข์ไม่มีทุก เพราะว่าความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยมันละกษาเครื่องมันเสียดแทงมันบีบคั้นมันลบกวนมันทรมานไม่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่ายังไม่พ้นทุกข์ความทุกข์อันเนี้ยมันจะต้องบีบขันจิตใจ ทำให้ทุกทรมานอยู่เฉยๆมันก็ทุกได้นะคิดขึ้นมานี่ก็เป็นทุกแล้วอยู่คนเดียวมีทุกอย่างก็เหงาเหงาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยากพูดกับคนนั้นอยากคุยกับคนนี้อยากมีคนนี้เป็นเพื่อนอยากให้เขารับรู้ความในใจอยากระบายออกเนี่ย อยู่สบานเนี่ยมีข้าวปลาอาหารมีเครื่องใช้ไม้ส้อยบริบูรณ์สมบูรณ์เห็นความรู้สึกนึกคิดมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันพวกนี้ยมันก็ต้องดึงเราออกไปไปหาที่พึ้นข้างนอกหาคนนั้นเป็นทีพื้นหาคนนี้เป็นที่พึ้น แต่ใดคนนั้นคนนี้มาเห็นอกเห็นใจแล้วจะดีจะสบายแต่พระพุทธเจ้าเนี่สอนให้เราพึ่งตัวเองพึ่งพระองค์พึ่งพระธรรมพึ่งภาริยสงเพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องมาปฏิบัติให้สามารถพึ่งตัวเองได้จนไม่มีทุกข์ถ้ายังวังพึ่งคนอื่นอยู่ไม่ถูก เรียกว่าใส่ใจไม่ถูกต้องเป็นอักยนิโสมนสิกาลใส่ใจไม่ถูกต้องหลักต้องหวังพึ่งตัวเองเท่านั้นเวลาจิตเราอ่อนแอมันจะหวังพึ่งคนนั้นคนนี้แต่ว่าถ้าหวังพึ่งพระธรรมหวังพึ่งพระพุทธเจ้าหวังพึ่งครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้เราเนี่ย มีกำลังเพียงพอมีสติปัญญาเพียงพอที่จะพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงปัจจัยที่จะทำให้บรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่แปดอย่างก็คือมันมันเป็นธรรมที่มีอุปกรณมากแปดอย่างหรือมีชื่อว่ะปัจจัยที่จะทำให้บรรลุธรรมข้อแรก พระพุทธเจ้ายังอยู่ก็คือไปหาพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือทําไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสติมีปัญญาแล้วท่านก็มีให้มีหลักสังเกตนะถ้าจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามต้องมีฮิลิโอตปาแรงกล้าหมายว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าละอายต่อบาป มีความละอายมีความสำรวมมีความเกรงกลัวต่อบาปมากแรงกล้าจนเราสำรวมระวังขึ้นมาแล้วก็มีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสหนักแน่นแน่นแฟ้นในทานอันนี้มันทาให้เราลงใจไม่ลังเลไม่สงสัย ในคุณธรรมของท่านในคำสอนของท่านเราไปอยู่กับครูอาจารย์เช่นนี้มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยจเจริญก้าวนาได้เพราะฉะนั้นปัจจัยอันแรกเลยท่านจึงบอกว่าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนพมจารีที่ทำให้เรามีฮิลิโอ ต, ตปะอันแรงกล้า ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมีความละอายมีความเกงรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเกงรงกลัวต่อบาปที่แรงกล้ามีความศรัทธามีความเคารพมีความเชื่อถือเน่นแฟนหนักแน่นถ้าหาว่าเราลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์ปับใจเราจะต่อยทีนี้มันก็จะกลายเป็นจับผิดเพ่งโทษ จิตเรามันจะไม่เจริญเขาวนะทีนี้เมื่อไปอยู่กับท่านเช่นพระพุทธเจา้าหรือว่าผู้รู้เนี่ยที่อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมกับเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ถามไทยในสิ่งที่เราสงสยัยในสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ปกปิด แล้วถูกนำมาเปิดเผยให้กับเราเราสงสัยเราก็สั่งถามไต่ถามเกิดความรู้ความเข้าใจหายลังเลหายสงสัยอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สองคือฟังธรรมขอฟังธรรมไต่ถา ม, าถามสักถามข้อสงสัยจนสามารถไปปฏิบัติได้ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอแล้วท่านบอกให้ปรีกออกทางกายแล้วก็ทางใจให้ปรีกออกทั้งสองอย่างกายก็ต้องปรีกออกมาปรี ก, ออกทางกายก็คือยังไงก็ต้องไปหาที่สงบสงัดที่วิเวกดิกเลนไม่คุกครีนี่ถอยออกมาอย่างนั้นปรีกทางใจคือยังไงใจที่มันเคยเกาะเกี่ยว โดยหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันมีแต่เรื่องราวที่มันมากุ้มกลุมจิตใจท่านก็ให้ปลีกออกมาจากเรื่องราวเหล่านั้นก็นั่นก็คือต้องลงมือปฏิบัติแล้วมีสติแล้วเดินตามทางของพระพุทธเจ้าแล้ว พยายามมีสติพยายามเจริญสติควบคุมจิตใจทีนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีกรอบคือศีลเป็นกรอบให้เราเดําเนินไปเราก็ยังไม่มีหลักในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้มีศีลเนื่องจากว่าพระสูตรอันเนี้ยท่านสอนพระท่านก็สํารวมในพระปาฏิโมกษ ถ้าเป็นโยมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ข้อธรรมที่เรียกว่าสี่ห้าหรือสิคขาบทห้าข้อในสมัยนี้เขาก็เรียกว่าสี่ห้าสี่ห้าข้อหรือข้อธรรมห้าข้อเมื่อปฏิบัติแล้วมันยิงจะเป็นศีลแต่ว่าก็เรียกกันมาจน จนติดปากว่าเป็นศีลห้าสำรวมในพระปาติโมกขําว่าสำรวมเนี่ยก็คือมีสตินั่นเองนนคนจะปฏิบัติศีลก็ต้องมีสติเหมือนกันเป็นการปฏิบัติธรรมสำรวมในพระปาติโมกก็คือระมัดระวังจิตไม่ใมีเจตนาที่จะไปล่วงละเมิดศีข้าบททั้งหลาย ตามฐานะของตนเองตามเพศของตนเองเพศพระของเรียกว่าสํารวมในพระปาติโมกคือสํารวมในหลักพื้นฐานข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เป็นหลักการที่เรานำมาปฏิบัติแล้วทำให้เรามีสติดีรักษาใจเราได้ดีสิบห้าบัางสิบแป สิน1ิบสินีก็คือพระปาติโมกแล้วก็มีการสมบูรณ์ด้วยอาจระโคจระคือความประพฤติก็ต้องถูกต้องดีงามไม่งั้นมันย้อนกลับมาลบกวนจิตใจเราทีหลังเนี่ยการกระทำมันก็สำคัญเพราะนั้นเราอยู่กันเนี่ยมันจึงต้องได้ละมัดระวังการกระทำ เมื่อมีการกันอยู่กันถูกต้องมีความประพฤติถูกต้องปัญหาน้อยลงไปเลยแทบไม่มีปัญหามีก็มีน้อยโคจรละการที่ให้จิตเราไปเกี่ยวข้องการที่เราไปเกี่ยวข้องเรื่อง น, นั้นเรื่อง น, นี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้การงานตรงนั้นตรงนี้ถ้าหาว่ามันเป็นไปเพื่อที่จะทําให้จิตเรามันเสื่อมมันถอย มันไม่เจริญก้าวนาในธรรมะของพระพุทธเจา้าเราก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องถ้าจะเกี่ยวข้องจำเป็นจริงๆก็ต้องละมัดระวังจิตจริง ๆ, งๆนเร ว, ว่าเป็นศีลเหมือนกันมีศีลศิลวามีศีลแล้วให้มีปกติเห็นภัยในโทษเม้ประมาณเล็กน้อยเท่ามันจะทำให้เกิดโทษเกิด ความเศร้าหมองขึ้นในใจเป็นพิษเป็นภัยต่อการปฏิบัติท่านบอกให้เห็นโทษเล็กน้อยก็าตามพอบางทีถ้าในเรื่องจิตใจล้วเนี่ยเล็กน้อยแต่มันมีผลต่อจิตใจใหญ่โตนะบางทีเราทำผิดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันกระเทือนเข้าไปหาจิตเลยนะบางทีมันคิดอยู่นานกว่าที่เรื่องราวานั้นมันจะดับไป ทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะยัง่งเข้าไปเห็นมันเกิดดับได้อย่างเร็วบางเรื่องมันตรงกับความรู้สึกมันก็ค้างคาอยู่ในจิตใจหรือบางเรื่องมันก็เป็นวิบากวิบากก็คือผลของการกระทาของเราที่มันติดอยู่ในจิตนั่นแหละ อย่างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยทั้งที่เราก็รู้แล้วมีเหตุมีผลแล้วว่าเออมันจาเป็นละมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้บางแต่มันค้างอยู่ในใจเราก็ดูอยู่แต่มันไม่ดับนี่คือวิบากผลของกรรมที่เราทำมาเราก็ยอมรับได้รอเวลาที่มันจะดับไปถ้าหาว่าคนที่มีปัญญาเข้าไปถึงเนี่ยโมันจะรู้ว่าออนี่คือวิบาก ผลของกรรมที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของเรามันมาในรูปความรู้สึกที่ทาให้เราเป็นทุกข์ถึงแม้เราไม่ยึดมันก็ตามแต่มันก็เป็นทุกข์ทางกายทางจิตเราเนี่ยผลของกรรมมันมีเพราะนั้นเราก็วางใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอันไหนที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยแล้ว เราก็ต้องไม่ไปทำมันเพราะมันจะทำให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจมันลุกวนจิตใจมันทำให้เราเนี่ยปฏิบัติจิตได้ยากลำบากให้สมาทานในสิค้าบทต่างๆด้วยความเคารพนั่นก็คือพยายามที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไหศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่ในในเรื่องของศีลเขาไปหาพุทธเจ้าหรือเพื่อนภูมจารีผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ไปอยู่แล้วก็ศึกษาฟังธรรมถามถ่ยสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เราสงสัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นแล้วก็ ลีกออกไปทั้งทางกายและทางจิตปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีศีลด้วยชํารวมในพระปฏิโมกข์หรือว่าข้อปฏิบัติพื้นฐานตามฐานะของตัวเองที่เหมาะสมสมบูรณ์ด้วยความประพฤติและการโคจรคือการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วก็เห็นภัยในโทษ ไม่ให้มีประมาณเล็กน้อยเล็กๆน้อยถ้าเราทำผิดไปแล้วนี่โอ้โหมันมี้ลต่อจิตใจรุนแรงเพราะนั้นเราก็เลยต้องสำรวมระมัดระวังเห็นภัยให้สมาธานปฏิบัติศึกษาในสี่ขาบทของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บ่าให้มีการฟังบ่อยๆฟังมากๆเป็นผู้ พระูสุตักเป็นผู้ที่มีการได้ยินได้ฟังมากคือมันเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็เกิดความสงสัยอยู่มันจึงต้องได้ยินได้ฟังจากครูว่าอาจารย์หรือจากพระพุทธเจ้าก็โดยการอ่านพระไตรปิฎกฟังธรรมะมันเพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ถ้าใครมันมันศึกษาทำความเข้าใจมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันมีสภาวธรรมเกิดขึ้นเนี่ยพอเราทำความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็ขยายความรู้กว้างขวางออกไปมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องรู้กว้างขวางปฏิบัติก็ง่ายสะดวกมันไม่ติดขัด ถ้าติดขัดเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมให้มันหายนะบางทีก็ต้องถามไทยครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องอ่านหรือฟังศึกษาไปแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นพอเรารู้ปับใจเราไม่ไปยึดมันอนะ่ะอย่างเรารู้แนละ้วว่าเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยึดไม่มีอะไรเป็นเราโกคายออกวางออก เกิดมาแล้วต้องตายมันก็ไม่ต้องไปหนักอคหนักใจกับอะไรเอาวิบากกรรมของเราก็ยอมรับได้ใจก็สบายใครจะเป็นยังไงก็เอาเราเนี่ยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะได้ดี ด, ดีอะไรสมบัติเหล่านั้นจะมาเทียบกับ ผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของบุรุษเจ้ามันเทียบกันไม่ได้ที่เราก็สบายพอใจสภาพของเราที่ได้มาปฏิบัติธรรมการได้ยินไดฟังมากๆสดับตับฟังมากมันทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่งามในเบื้องตน้นงามในท้ากลางแล้วก็งามในที่สุดนะ งามในเบื้องปลายใจเราก็บางทีเมื่อเกิดปีติปราหมดได้ฟังธรรมลืมเรื อ, รอบันเทิงในจิตใจทำให้ใจสงบใจมีความสุขเป็นสมาธิง่ายแล้วก็ให้มีข้อที่หนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนพูมจารีูุ้อยในฐานะครูฟังธรรม าไทยในสิ่งที่เราไม่รู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจปลีกองอกทางกายทางจิตปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็มีศีลแล้วก็มีการได้ยินได้ฟังต่อมาให้ระดมความเพียร น, นะพอเรารู้ทางแล้วเห็นทางแล้วทีนี้ เราต้องบากบั่นแล้วทีนี้ไม่ใช่ไปรอคนอื่นแล้วหรือไม่ใช่ว่านิ่งดูได้แล้วไม่ใช่เออเราเหยือลอยลมแล้วไม่ใช่ช่วยเ ช, ย, ชยแฉแฉแล้วเราต้องระดมความเพียรแล้วพยายามให้สติมันต่อเนื่องพยายามให้จิตตื่นตัวพยายามให้รู้ตัวมากๆพยายามแก้ไข ให้สิ่งที่มากันมาขวางเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติที่เรียกว่านิวรณนทั้งห้านี่รวมเข้าไปว่าทําให้จิตนี้มันตึน่นเพื่อทําให้จิตตั้งมันเป็นสมาธิแล้วตั้งมันทําอะไรอยู่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอย่ามีความเพียรมีความบักบั่นอย่างเนี้ยรวมเข้าไปสัมรวมตาหูจมูกนิ้นกายใจ รู้จะประมาณในการบริโภคใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างจำกัดความอยากความต้องการให้มีความพอดีทีนี้พอจิตของเราเนี่ยมันมันรู้ทางแล้วมันมันมันล้อมไว้หมดแล้วะเราเอาทำมาเอาทำเข้ามาล้อมไว้หมดคือเราอยู่ในกรอบของทำหมดแล้วจิตเนี่ยมันจะขยับไปทางไหนมันก็มีทำเป็นกรอบไว้นี่ยมันก็ไม่ไปไหนะทีนี้ มันก็จะเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยแล้วเราก็มีหลักแล้วเราเราสมรวมเนี่ยถ้ารู้ว่าผิดเห็นโทษแม้ประมาณเล็กน้อยทันมาเราก็ระวังเราไม่เอาทีนี้จิตเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเราสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นมาเนี่ยต่อไปก็สติสัมปชัญญะมันจะมีกำลังขึ้นรู้ทันจิตแล้วนะทีนี้ จิตมันจะขยับไปทางไหนรู้ทนัทนทนันทันก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยการเห็นความเกิดดับที่แรกเนี่ยมันมันยังเห็นทางาวเขาเรียกว่าตามดูอยู่ตามดูอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะสติะระลึกได้บางทีเนี่ยมันะระลึกได้แม้กระทั่งไอ้อดีตที่เราเคยทํา เหตุการณ์หรือคาพูดที่เราเคยพูดไว้นานแล้วบางทีเราเราในสมาธิเรานึกขึ้นมาปับ๊บดึงมาไว้ก็ได้เอาเข้ามาตรวจสอบคืเ อ, อเขาพูดอะไรเราพูดอะไรทำความเข้าใจในจิตเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะมันเป็นเรื่องของการใส่ใจให้ถูกต้องคือเข้ามาหาจิตตัวเองเข้ามาดูจิตเนี่ย การปฏิบัติเนี่ยมันมันมันเป็นขบวนการทางจิตทีนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเห็นอาการของมันการที่เข้าไปเห็นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยู่ภายในใจลึกๆว่าเออเหมือนกับเราดูอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนเราจ้องดูอยู่มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่จิตมันเห็นอย่างนี้เหมือนกับ เราเรายืนดูคนเดินผ่านไปเนี่ยเราก็เป็นผู้ดูเสียเขาก็ผ่านไปผ่านมาหรืวเราดูกิ่งไม้อย่างเงี้ยือกิ่งไม้มันก็เป็นมันไม่ใช่เรามันอยู่ของมันเนี่ยสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกันนี่เรามีสติสัมปชัญญะเป็นปัญญาสัมปชัญญะนี่มันเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเป็นปัญญาเบื้องตน้น แล้วก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆตามตามลําดับตามลําดับตามภูมิคุ้จิตด้วยทีนี้พอสติสัมปชัญญามีกําลังขึ้นมาเนี่ยใจเนี่ยมันจะตั้งมันมีความหนักแน่นนะเพรา ะ, ะนั้นบางครั้งเราจึงรู้สึกเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมันทํางานได้เองนะอะไรก็คือมันรู้เองปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเหมือนกับเราดูอยู่เฉยๆเนี่ยจิตมันจะทำงานได้เอง นี่จิตมีกำลังล้วมันเป็นอุเบกขาแล้วมันเป็นกลางกลางแล้วมันไม่ยินดียินไลน์แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีตัวตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันกลายเป็นว่าดูเฉยเฉยไปหมดเลยเพราะนั้นบางทีเราเราอยากพิจารณาอะไรเนี่ยอยากตัดสินอะไรเนี่ยในขณะที่จิตเป็น ก, กลางๆเนี่ยเราดึงเข้ามา ในขณะนั้นมันไม่มีเราเกี่ยวข้องแลวเนี่ยมันก็จะมีธรรมบางเรื่องเนี่ยมันมันเอามาเป็นกลางๆชิ้เราเป็นกลางพับมันมองมองดูเฉยๆเนี่ยมันเข้าใจไปเลยองเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องพอมันรู้รู้ในขณะที่ไม่มีตัวตนมันก็รู้แล้วว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ความถูกต้องอยู่ตรงนี้ถ้ามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นเรา ถ้าตอนที่จิตของเราเนี่ยมันยังไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีเราอยู่ในนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องความเห็นก็เป็นเราการกระทำเราก็ ก, กระทำความคิดก็เป็นเราความเห็นก็เป็นเราการกระทำก็เป็นเราเนี่ยมันคับแคบมันเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ มันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปเลยมันไม่เอาธรรมเป็นศูนย์กลางไม่เอาธรรมเป็นตัวตั้งมันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเนี้ยมีละความมีตัวตนเพราะฉะนั้นมันจะนุ่งเข้าไปถึงจุดที่ว่าจิตเนี่ยมันต้องเป็นกลางกลางเมื่อเป็นกลางกลางแล้วเราจะยกเรื่องอะไรขึ้นมาเหมือนกับว่าสติเนี่ยมันระลึกขึ้นมานึกถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์เหมือนกับมันดึงเข้ามาในสติมันระลึกได้ไมันไปดึงมาได้แล้วก็จับไว้ตัวที่ส่องดูสตัวที่เห็นอยู่นั่นน่ะคือตัวปัญญามันแก่เกิดความรู้ความเข้าใจจิตนีกําลังมันนึกขึ้นมาได้เองด้วยปั๊บปั บ, ปบเขาว่าอย่างนั้นเราว่าอย่างนี้เออมันควรจะเป็นยังไงจิตไปกลางอยู่ไม่มีตัณหา ไม่มีอุปท า, านอยู่ในนั้นมันเป็นธรรมล้วนๆเลยตัดสินกันด้วยธรรมเออเรื่องนี้ควรเป็นอย่างนี้ทำว่าอย่างนี้ต้องเอาธรรมไม่ให้มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็ว่าดันพยายามเดินเข้าไปหาธรรมเหมือนกับว่าธรรมมันบอกบอกทางแล้วถ้าหาว่าในขณะที่เรา จิตของเรามันมีตัวตนเนี่ยบางทีความเห็นของเราเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีความตัวตนอยู่มันมีความขับแคบอยู่ใจมันไม่เปิดกว้างมันไปติดอยู่กับไอ้ความเห็นของเราอ่ะอุปทานของเรามันก็มีอวิชชาของเรามันก็มีมันไม่ได้ทะลุไปมันเลยคิดวนเวียนอยู่ภายใต้ไอ ไอ้จิตที่มันมีอวิชชาจิตที่มันมีตัณหาอุปาทานเราก็มันดีแต่ดีภายใต้อวิชชาตัณหาอุปาทานแต่ถึงเรามีกิเลสอยู่แต่ว่าเราสามารถทำจิตให้เป็นกลางได้แล้วสามารถคิดหรือตรวจสอบเรื่องราวต่างๆในสมาธิได้ การแก้ปัญหาการตัดสินปัญหาเนี่ยมันถูกต้องดีกว่าการตัดสินในขณะที่เรามีตัวตนหรือมีอารมณ์เข้าไปอย่างเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาใครทําอะไรมันมันเหมาไปเลยนะเหมาเขาต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้เขาต้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆเลยมันไม่เหวอนจิตที่มีธรรมนะ ถ้าจิตที่มีทําก็เหมือนกันนะมันเห็นปั๊บอืมสงสัยจะเป็นอย่างนี้มันจะมีคําว่าสงสัยอยู่ไม่แน่ความจริงเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องตรวสอบกันดูต้องสอบถามกันดูต้องศึกษาดูอีกทีนึงนะมันจะไม่ตัดสินง่ายๆเพราะนั้นมันก็จะไม่ตัดสินลงไปมันจะมีอะไรที่มายับยั้งจิตไว้แต่ถ้าหาว่ามันทํามันยังไม่ถึงมันก็จะมีตัวตนอยู่ในนั้นด้วย ความเห็นของเราเข้ามาแล้วมันยึดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเห็นหน้าเดียวไปเลยนะนี่มันก็ยิ่งคิดมันยิ่งวนเวียนอยู่ในจิตมีน้ำหนักอยู่ในจิตมันก็บีบคั้นใจทนไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมาได้หลุดออกมาได้เพราะนั้นมันต้องถอยออกไปก่อนในขณะที่จิตของเรามันมีนมอะไรกุ้มลุ ม, มอย่าเพิ่งไปพูดอย่าพิ่งไปแสดงออก ไม่งั้นเราเสียท่ามันแต่บางทีมันก็มีมารมาเกี่ยวข้องไงมันคอยแทรกตัวแทรกตัวแซงมันเป็นคู่อริกับธรรมมันเป็นค่าศึกต่อธรรมพอมันได้ช่องนั้นั่นแหละมันก็ส่งสัญญาณปุ๊บป๊บเข้ามาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยเราก็ปุ๊บปุ๊บเชื่อตามมันที่นี่ถ้าหลงกลมันแล้วก็ยิ่งนานนั้นที่นี่ มันก็เอาหคนนั้นเหมือนกันเอาเลยเอาเลยคนนี้ก็เอาเลยเอาเลยทีนี้ก็เอากันอยู่นานนะ่ะถ้าไม่มีผู้ทัดสินธิให้เนี่ยบางทีก็เลยโกรธกันเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันเีุ่ผลของการปฏิบัติเนี่ยมีสติสัมปะชัญญะท่านใช้คําว่าสติมาคือมีสติแล้วก็มีปัญญานั่นเอง ทีนี้พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตกำลังมันเพียงพอแล้วคราวนี้มันก็จะรู้รู้ทำทำในที่นี้หมายนึนว่าเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ก่อนตามดูนะตามดูต่อมาไม่ต้องตามดูเฉยๆอยู่เฉยๆอยู่กับตัวเองเนี่ยแต่ว่าไอ้ความเกิดดับมันเกิดเองดับเองปุ๊บ บ, บ, บเกิดแล้วก็ดับ ทีแรกก็กำลังว่านอนเกิดดับแล้วก็เฉยเดี๋ยวก็เกิดดับเฉยเนี่ยความเกิดดับในที่นี้หมายถึงความว่ามันทีแรกมันก็เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเกิดดับหรือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศาธาตุเกิดดับต่อมามันเกิดดับเร็วขึ้น มันจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคือมันก็ดับหมดเปลี่ยนแปลงหมดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดมันจึงไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราที่คืออันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะมารวมกันอยู่ในจิตของเราเป็นประตูผ น, นิพานถ้ากำลังมันมากพอเนี่ยมันจะสรุปมันจะตัดสินได้ ตบลงไปตัดสินสรุปไม่มีอะไรเป็นเราเนของเราพอมันคลายตัวออกมาแล้วจิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยไอที่เคยยึดมัน่นถือมันมากๆเบาทันทีเลยใจนี่เบาแต่ก่อนเนี่ยเห็นอะไรแล้วมันหนักในจิตแต่พอจิตมันสรุปได้แล้ว เห็นความไม่มีเราเป็นของเราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุจากปัจจัยเป็นธรรมชาตินี่อันเดียวกันหมดเลยธรรมะเนี่ยมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเองหอเหงื่อหนเป็นก้อนทุกกองทุกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะคลายออกเองอันนี้พูดในแง่ของการปฏิบัติแต่ที่นี้ถ้าหาว่าอธิบายก็ อ, อธิบายในแง่ของอริยสัจสี 4. นี้ทุก คือที่มันเกิดดับมันเป็นตัวทุกข์ทีนี้ทุกข์ให้กำหนดรู้เราก็กําลังกําหนดรู้พลผ่านไปกําหนดรู้แล้วนะละสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาหรืออุปาทานหรือวิชามีพวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ พอไม่รู้ความจริงไมเห็นความจริงมันก็เลยดิ้นรนอยากให้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราต้องการานี่เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกแล้วก็เห็นในโลกคือมันดับไปจากจิตเราความทุกเนี่ยมันดับไปหมดจิตเราในขณะนั้นไม่มีทุกเนี่มันจะปรากฏขึ้นในจิต แดีวมันก็เป็นลำลำดับลาดับไปแล้วก็ทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ดับดับทุ ก, ก็คือมรรคก็คือการปฏิบัติของเราเองเรียกนี้ในง่ของอธิบายแต่ถ้าหาว่าเขาไปเห็นในจิตอนอธิบายได้ว่าเออเห็นมันเกิดดับแต่ก่อนตามดูตอนหลังไม่ต้องตามปักหลักมั่นอง นี่เรวจิตตั้งมันเห็นสภาวะต่างๆเรียกว่าสภาวะธรรมก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้พอถ้าครั้งที่หนึ่งมันผ่านไปแล้วมันก็จะแจ้งอยู่ระยะหนึ่งนะต่อมานี่ตึ๊บเลยนะเหมือนกับไม่รู้อะไรปัจจุเวคณาญาณมันผ่านไปแล้วการพิจารณาอะไรผ่านไปแล้วต้องมาเริ่มใหม่ ที่ขันห้าเพื่อที่จะเจริญมรรคที่สูงขึ้นก็อยู่ในขันห้าเหมือนเดิมอยู่ในกายในจิตเหมือนเดิมแต่ว่าความชัดแจ้งมากขึ้นความรวดเร็วของสติสัมปชัญญะก็มากขึ้นการปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันสบายอยู่ในจิตใจ ถึงจะรู้สึกว่ามันก็ยังยากลำบากแต่ว่ามันไม่หนักหนามันไม่ถึงกันหนักอกหนักใจมันทำเพียรทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกเนี่ยคือในขณะปฏิบัติมีทุกบ้างแต่มันก็มีเหมือนมีอะไรหล่อเลี้ยงอยู่พางทีหล่อเลี้ยงก็คือนี่แหละปราโมดปีติสงบสุขเนี่ยมันอยู่ในตัวของมันเอง ใจเป็นกลางๆใจเป็นเบี้วขาไม่สุขไม่ทุกข์ความเบากายเบาใจมันเกิดขึ้นยิ่งอะมัรกมันมีกำลังมัรกมันสูงขึ้นไอความเกิดดับนี้ก็ยิ่งเห็นบ่อยเป็นธรรมดาไปเลยไม่ว่าการกระทำคำพูดก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยผู้อรกมากจะมีความเป็นธรรม เป็นธรรมมากขึ้นการกระทำก็มีความเป็นธรรมความคิดความอ่านหมุนอยู่ในธรรมเพราะนั้นเวลาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจึงพอดูกันออกแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะพอในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีนะมีพระที่สงบสารวมมากๆเลยนะ จนพระโจดขานกันเลยว่าพระองค์นี้ต้องต้องเป็นพระหลานแน่ๆไม่มีใครสำรวมเท่าเรียบร้อยจะเดินจะเหินโอ้เรียบร้อยไปหมดสำรวมระวังทุกขณะเลยก็มีคนสงสัยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยสงสัยเป็นพระหลานแน่ๆเลยท่านสำรวมเมื่อเกิดเนี่ยสำรวม มากที่สุดเลยพระเจ้าอบอกอย่างเขาเรียกว่าสันตากายพระสันตากายหมายว่าสันสันตากายกายสงบ ก, กายมีความสงบพระเจ้าองค์นี้เคยเตเป็นราชาสีมาห้าร้อยชาติเพราะนั้นนิสัยของ์ราชาสีนจะมีความเนียบร้อยจึงเก่ากันเอาไว้ว่าเ ว, าวลาราชสีจะนอนเนี่ย มันจะสำรวจรอบๆก่อนห็นตรงไหนอยู่ยังไงเศษไม้เศษหญ้าตรงไหนยังไงและก็นอนตะแคงลงไปเสียสายะตะแคงข้างขวาพอมันหลับไปแล้วมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมองดูรอบๆ่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมสภาพก่อนนอนกับหลังตื่นนอนถ้าหาว่ามีหินกระจุยกระจายมีความผิดปกติเกิดขึ้น ราชสีตัวนั้นจะกําหนดดูที่นอนแล้วก็นอนใหม่เลยไม่ยอมออกไปหากินเนี่ยตามตำราว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าว่าเห็นว่าที่นอนเรียบร้อยเออนอนวันเนี้ยไม่ละเมอไม่ไ ม, ไม่ดิ้นไปทางโน้นทางนี้แล้วก็จะออกเดินออกมายืนขึ้นเดินออกมาแล้วก็บรรลือสีหานาดแล้วก็ออกไปหากินเพราะบางทีกายสงบ แต่จิตเนี่ยมัน ย, มยังไม่ได้บริสุทธิ์เพราะมันยังเมละกิเลสตัณหาอุปาทานภายในจิตได้ก็มีด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังว่าสงบ ก, กายแล้วก็ต้องให้สงบใจสงบกายสงบวาจาสงจจสบจิตใจสงบจิตใจในสงบจากกิเลสนะสงบจากกิเลส ละกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสันตกายสันตจิตสันตกายโยสันตสันตจิตโต ท, ทีนี้สงบทั้งกายสงบทั้งจิตสงบจิตคือสงบจากกิเลสตัณหาอุปาทานหมดจดละก็เป็นพลาได้ทีนี้เราก็สามารถสำนวจได้ ว่าคุณสมบัติของเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยตรงไหมมีปัจจัยที่จะทำให้บรรลุธรรมีครบถ้วนไหมมันขาดข้อไหนบ้างเริ่มตั้งแต่นู่นละอาพุทเจ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเนี้ไปอยู่หูบาอาจารย์ที่เรามีทำให้เรามีฮิเดอตปะแรงก้า ลายต่อบาปเกรงกลัวต่อเกรงกลัวต่อบาปไม่อยากทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมีความศรัทธามีความเคารพมีความเชื่อฟังหนักแน่นแน่นแฟ้นในตัวท่านแล้วก็ได้ฟังทำได้ไต่ถามได้ซักถามข้อสงสัยจนเกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ปีกไปปฏิบัติทางกายทางจิตปีกออกทางกายทางจิตแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สัมรวมในสีขาบทดห้าบังแปดบังสิบบังสองรอยี่บเจ็ดแล้วก็สมบูรณ์ม้ความประพฤติและโคจรเห็นโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรา ทำให้จิตเศร้าหมองให้สมาทานศึกษาอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้ได้ยินได้ฟังบ่วงสุด ต, ตัให้ได้ยินได้ฟังมากๆสดับตับฟังมากๆกับครูบาอาจารย์มากถ้าหรือไม่เงินกับพระไตรปิฎกหรือตำหรับตำลาครูบาอาจารย์ ที่เราแน่ใจว่าถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วละดมความเพียรใช้คำว่ละดมความเพียรนะก็คือต้องมีความบักบัตรมีความอุตสาหาพยายามถ้ากุศลทั้งหลายพยายามลามันต้องสู้กันบางทีอกุศลเกิดมาในรูปเป็นตัวเป็นตนเราเลยนะ นี่ถ้าใกล้กล้ำลังเข้มแข็งนี่ยละทันทีเลยไม่เอาเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจในความที่อกุศลเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราไม่เจริญไปในทางเสื่อมไม่เอาไม่ทําตามมันก็คือไม่เอานี่เราจะเห็นมันอ้อยอิงอ้อยส้อยเลยนะเวลอาอกุศลเข้ามาเนี่ยเพราะมันเป็นเราเข้ามานะ มันจะทําเพื่อเราเลยนะอกุศลนะทีนี้มันยังมีกําลังอะอกุศลบางทีมันก็มีกําลังเพราะเราเคยชินในการที่จะทำตามมันมันมีกําลังละได้ยากบางคนบางเรื่องละได้ง่ายแต่บางเรื่องละได้ยากก็มีนี่มันทิงว่ามันต้องได้เพียนกันและดูความเพียนกันเพื่อละอากุศลแม้มันเกิดขึ้น เพื่อที่ให้กุศลเนี่ยมันไพบุญขึ้นมาในจิตใจมีสติสัมปชัญญะที่นี้กุศลที่มันสูงขึ้นมาก็คือสติสัมปชัญญานี่ไหละให้มันมีความเจริญก้าวห น, น้าขึ้นตามรู้ตามดูตามเห็นอาการของกายอาการของจิตเราดูเห็นความเสื่อมสิ้นไปของขันห้าจนกระทั่งจิตเนี่ยดูเฉยเฉยเลยไม่ต้องตามแล้ว อย่ให้ดูหรือเรือเข้าใจด้วยเห็นมันเกิดเห็นมันดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่อะไรของเราบางทีไม่รู้อะไรอะ่ะบางทีเหมือนกับเอออะไรสักอย่างเกิดขึ้นดับไปนั่แหละคือว่าหมายว่าสิ่งสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็ดับอสิง่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเป็นอุทาหรณ์ของพระอัญญาโกลัญญา ยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติเห่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ภาษาไทยสมัยพานยากตัญญาอุทานในจิตอันนั้นทัานเป็นภาษามาคอยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าใครเคยผ่านเคยลู้เคยเห็นเข้าใจทันทีเลยแล้วก็จําได้ติดติดอยู่ในใจเลยนะติดตาติดใจคือจิตอยู่ในตาใจมองไปเมื่อไหร่ยิ้มน้อยๆเลยโอ้ใช่ใช่เราเคยผ่านตรงนี้ตรงนี้จิตมันชี้ชี้ชี้ดูได้มันดึงมาได้มันเ ล, ลื่อนขึ้นมาได้เอง แต่ถ้าไม่เคยผ่านมันก็จะสงสัยนะึ่หรือว่าตรงนั้นหรือว่าตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้นี่มันสงสัยถ้าสงสัยอยู่ไม่ใช่จิตมันต้องสรุปตรงนี้แต่ว่าเออมักต้นเนี่ยบางทีกออ็บางคนอาจจะจับไม่ได้บางคนก็สงสัยได้ครั้งที่สองปฏิวัติอีกแล้วก็จะมาเห็นอีกอก็จะจดจำอีกในความรู้สึกของตัวเองว่ามันจดจามันไม่ลืม ครั้งที่หอย่างนี้ครั้งที่สองอย่างนี้เนี้ครั้งที่สามครั้งสุดท้ายอย่างนี้เนยก็เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเกิดขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเออคุบาจาย์ท่านปฏิบัติเกิดที่ท่านแล้วพอท่านมรณะภาพไปคุณจะหายไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันหายไม่ได้มันอยู่ในจิตท่านถึงว่าบรรลุถึงรู้ถึงเข้าถึงบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมคือมันมีอยู่แต่เราปฏิบัติจนมันไปรุถึงเองบรรลุถึงเอ ง, ง, เองไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือปฏิบัติไม่ใช่หน้าที่ของเราไปอยากให้มันถึง พรหเวลาปฏิบัติมันจึงต้องวางความอยากตลอดสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราในบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ระดมความเพียรปฏิบัติไปจนกว่ามันจะถึงชุดไม้ปลายทางพบชาตนเวสันลงด้วย วันนี้มันก็เปรียบเทียบนะนึกไปนโ น, โ น, โนบางคนเนี่ยยังไม่ได้ตื่นตัวยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมันมองไปทางนอกคือมันมีการเกี่ยวข้องนำกันลำพึงขึ้นมานะโอ้โหทำไมมันอยู่ห่างไกลอย่างนี้จิตของเขามันเหมือนมืดมุนเลยนะเคยได้ยินวันโลกนตนานรกเนี่ย มันมืดมุนเย่งนั้นเป็นนรกที่มืดมุนแล้วก็ดูเหมือนมีน้ำแข็งกรดะจะมีน้ำแข็งกรดพอก่อเข้าไปในปากแล้วเนี่ยมันก็จะตายตายแล้วก็กรรมไม่ใหตายฟื้นขึ้นมาเอาอีกมืดมุนเย็นยะเยือกทุกทรมานที่สุด โลกกันตะนาลกนาลกที่มีความมืดมนเมื่อก็นึกถึงจิตของบางคนแล้วโอ้ยเนี่ยมันนี่นะนาลกนี่สัตว์นาลกมันเป็นอย่างเนี้ยร่างเป็นคนแต่จิตมันเป็นจิตสัตว์นาลกมันไม่มืดเงื่อนเลยจริงๆมนมืดมนไปนหมดเลยอะไรเป็นบุญเป็นบาปเขาไม่รู้ความสุข ที่เขาได้มาคือกินเหล้าบางพวกได้เงินมาในทางที่ไม่ถูกต้องได้มาก็ใช้จ่ายในทางไม่ถูกต้องกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงเด่นการพนันแล้วก็ไปหาเงินมาในทางที่ไม่ถูกต้องอีกโอ้โหมันน่าสงสารนจริงๆว่ามันห่างไกลมากอ้เมื่อไหร่นู้เขาจึองไปพัฒนาขึ้นมารู้จักมาให้ทานรักษาศีล มภาวานามันจะกี่อสงไขยกันแ้วไปตกนรกชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็เป็นไม่รู้กี่พันล้านปีนะอันนี้มันจำไม่ได้นะเคยอ่านผ่านๆแล้วมันไม่เป็นสนใจไปจำหรอกแต่รว่นหนึ่งวันในนรกนะยาวนานมากตามตามชั้นของนรกนะในตำราเขาบอกไว้หมด ทำกรรมอะไรไปตกนะั้นลกขุมไหนขุมไหนเน ย, ยาวนานมาแต่ถ้าว่าต้องการสิ้นกรรมเนี่ยต้องมาปฏิบัตินี่แหละมันมีทางอื่นพอเปรียบเทียบดูคนที่มันมืดมนแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกเออเราวางลงไปจนมาถึงพวกที่รู้จักทำบุญสุนดาน พอประมาณใหอยู่หากินไปลุ่มหลงอยู่กับโลกเออมาวัดมาประพฤติธปฏิบัติขาดเราตนเองบางคนก็เออมีมั่งมีผลเป็นหลักของจิตใจรอเวลาที่มันจะพ้นไปจากทุกข์ เตรียมใจนะดูให้ชัดๆเลยให้จิตของเรามันได้รู้ให้มันตื่นให้มันรู้ว่ามันทำอะไรอยู่สติสัมปชัญญะมีไหมคือรู้ตัวรู้ทั่วว่ามีอะไรเกิดกับตัวเราบ้างถ้าปัญญาก็คือเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราวินาก็อยู่ของมันอย่างนั้นจิตก็เป็นผู้ดูกายก็อยู่ของมันอย่างนั้นจิตก็เป็นผู้ดู ความนึกความคิดปูงแต่งก็เกิดดับไปอย่างนั้นนยจิตก็ยังเป็นผู้ดูอยู่มันไปดูไปรับรู้อะไรก็เป็นวิญญาณผู้ดูก็ดูอยู่เนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดก็คือจิตจิตรู้อยู่เนี่ยเห็นกระบวนการทำงานของคันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อะไรอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนีแต่จิตเนี่ยเป็นผู้ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่จิตก็ยังเป็น ก, กลางๆเป็นอุเบกขาจิตไม่ยินดีไม่ยินหลจิตก็อยู่ส่วนจิตมันอยู่ตามลำพังอย่างอื่นก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จิตก็ไม่ได้เขาไปเกาะไปเกี่ยวไปติดไปข้องจิตก็เป็นจิต จิตก็ยังเข้ามาหาจิตนี่จิตในจิตตามดูจิตระแววระวังจิตนี่จิตเองก็มีความเกิดดับมันยังมีความนึกคิดปรุงแต่งได้แต่มันรู้ทันรู้บางทีไม่ทันก็รู้ว่าเออเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นม น, มน่นพลังกายก็มีผลต่อจิต มันวุบวับตรงนั้นตรงนี้ตึงตรงนั้นตรง น, น, รงนี้มันกับจิตเราก็มีผลตัวจิตจิตกับกายอาศัยกันอยู่ผมจะเผอหรือไม่เผล อ, อไม่สนใจหรอกกระสับแต่ว่ารู้อยู่กับความรู้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งผู้รู้ก็ไม่ใช่เราคนทั่วไปเขาคิดว่าผู้รู้เป็นเราจิตเป็นเรา แต่พอไปปฏิบัติไปเนี่ยผู้รู้ก็คือผู้รู้ไม่ใช่เราจิตก็คือจิตไม่ใช่เราทีนี้มันก็เป็นธรรมชาติปไปเลยหาเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีทีนี้มันเป็นเราเป็นเราโดยสมมติเราไม่เปหลงว่ามันเป็นเรา